ลำดับที่1คติธรรมก่อนฟัง MP 3แผ่นที่101โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟัง MP 3แผ่นที่101ให้คติธรรมว่าปัญญาหิเศธากุชลาวัทันติ คนฉลาดกาวว่าปัญญาประเสริฐสุดคนที่มีปัญญาเขาต้องสรรเสริญยกย่องว่าปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐสุดมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าหากถึงชนอยู่ในกลุ่มใดไม่รูเ้เรื่องไม่ได้ใช้สติไม่ได้ใช้ปัญญาเราจะไปพึ่งพาอาศัยคนโง่เง่าเต่าตุ่นได้อย่างไรเมื่อต้องอาศัยคนที่มีปัญญาคนที่รอบรู้คนที่ เเจียนจบในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นเรื่องปัญญาจึงยกย่องว่าประเสริฐสุดกว่าทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงในหลักของพุทธศาสนาจิตใจที่จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้ก็ต้องใช้ปัญญากันกรองไตรตรองหาเหตุผลจากนั้นก็หักล้างกิเลสออกจากจิตใจของปุถุชนทั้งหลายได้พูดอย่างนั้นได้ ดนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านปัญญาเนี่ยคนฉลาดย่อมกล่าวว่าปัญญาประเสริฐสุดถ้าว่าคนโง่แล้วก็ไม่รู้จะสรรเสริญยังไงแต่คนมีปัญญาแล้วก็ต้องกล่าวว่าผู้มีปัญญาประเสริฐเลิศ ก, กว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเลิศ ก, กว่าทรัพย์อีกแ่งก่อนที่จะเป็นทรัพย์มาได้ก็ต้องอาศัยปัญญาถ้าคนโง่แล้วก็คงจะหาทรัพย์ไม่ได้ปัญญาต้องมาก่อน